กลาามดมควมันเปิ้ที่เฝ้ายืนสู่เหล่าร้ายได้รับจดหมายน้องพร้อมชายเจ้าสมถึงอยู่กลางพนาเป็นเวลาทุ่ครึ่งเสียเ น, นเปิ้นฟำดงเปิ้ลไม่คำเดิมเลยเชียว จอมอนเื้อพรเหียนใส่ซ้อมสดสีป้าพีดลืมภูราลืมเพ้าเปล่าไม่แลเหลียวหายเหนื่อยายเพียร่านเสียสิบกระเที่ยวนั่นเยิ้มคุนเบียวใจเหลียวถึงทมดู เตรียปืนลันปังเด่นพวันทำหัว อ, อกคว้า M 1 6บลบขฟารบเตรียมต่อสู้กำลงอองังอขค์นอมให้พร้อมสายช่อยใจเชื่นชูดีร้ายขอสูใ้ใมโลกรู้นักฝพไกใครจอมมอพนจนตอบหน้าบนอยู่แนวล่าง ได้รับป ร, รือยาเจ้าร้อยจำจำได้ไหมนังตอบจจมอบเลอกก็ไม่ได้หูตามไม่ไหวหยุดหายใจพันธทีเสียมปืนลันปั้มตื่นหัวทำหัว อ, อกควาเอ็มสิบหก ลบเขารบเตรียมต่อสู้กบลุมข อ, องเรา้พร้อมสา ย, ยใจเชื่อชู ด, ดี้ายขอสู้ไม่หลบรู้นักรบไครจออหมอบฝนจนตอกหน้าบนอยู่แล้วลำได้รับปริญญา ฉันจำได้ไหมน้ำตอบจอหมอกเลิกก็ไม่ได้กูตามไม่ไหวหยุดหายใจพันที